ในโลกนี้มีความสุขอยู่สองชนิดด้วยกันคือความสุขชั่วคราวกับความสุขถาวรความสุขชั่วคราวก็คือความสุขทางกายความสุขถาวรก็คือความสุขทางใจความสุขทางกายชั่วคราว เพราะตาหูจมูกลินกายเป็นของชั่วกราวรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่เสพก็เป็นของชั่วขราวมีวันเสื่อมมีวันหมดไปความสุขทางใจเป็นความสุขที่ถาวรเพราะใจ เป็นสิ่งที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปและสิ่งที่ทําให้ใจมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นอากาลิโกไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลาก็คือทำเช่นศีลสมาธิปัญญาเป็น สิ่งที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดอยู่กับใจไปตลอดให้ใจมีความสุขไปตลอดนักปราชญ์คนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหานตสาวกทั้งหลายท่านจึงเลือกเอาความสุขที่ถาวรแต่คนไม่ฉลาด หรือคนโง่อย่างพวกเราพวกเราก็จะเลือกเอาความสุขชั่วคราวเพราะความสุขชั่วคราวนี้มันง่ายกว่าการเอาความสุขที่ถาวรความสุขชั่วคราวนี้มันเป็นความสุขต้นแต่ทุกปลายส่วนความสุขที่ถาวร น, นี้เป็นความ สุขที่ทุกตอนต้นและไปสุขตอนปลายคนจึงไม่ค่อยชอบหาความสุขที่ถาวรกันชอบหาความสุขชั่วคราวกันคือขอไปตายเอาดามหน้าวันนี้ขอให้มีความสุขก่อนส่วนพรุ่งนี้จะทุกข์ก็ค่อยว่ากัน พถึงวันที่เจอความทุกข์ก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือได้ตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องมีแต่ความทุกข์เช่นตอนที่ร่างกายเข้าสู่ชราภาพร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยและร่างกายต้องตายไป เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์บางคนทนกับสภาพของความทุกข์เหนั้นไม่ได้ก็ถึงกับคิดฆ่าตัวตายมีเป็นเพราะว่าไม่เชื่อนักปราชไม่เข้าหานักปราชอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวก ถ้าเชื่อแล้วเข้าหาก็จะได้ยินได้ฟังวิธีสร้างความสุขที่ถาวรแล้วจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ในบ้านปลายของชีวิตและก็จะไม่ทุกข์เลยหลังจากที่ได้สร้างความสุขที่ถาวร น, นี้ ไม้เกิดขึ้นมาแล้วจะสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอาหารหันตสาวกอย่าเชื่อแบบไม่ปฏิบัติตาม อย่าเชื่อแบบกราบไหว้เฉยๆต้องเชื่อแบบปฏิบัติตามท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างไรท่านได้ปฏิบัติอย่างไรเราก็ควรที่จะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่เชื่อแต่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติเพียงส่วนที่ชอบใจ ส่วนที่ง่ายส่วนที่ไม่ยากถ้าเชื่อแบบนั้นปฏิบัติแบบนั้นก็จะได้ผลไม่มากถ้าอยากจะได้ผลอย่างเต็มที่ก็ต้องปฏิบัติเต็มรูปแบบทําตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้กระทากันมา ท่านยุติการหาความสุขชั่วคราวกันท่านมุ่งไปสู่การหาความสุขที่ถาวรกันท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราเป็นปุถุชนเหมือนกันตอนที่ท่านยังไม่ได้ปฏิบัติท่านก็อยู่กับความสุขชั่วคราวแต่ ท่านพอได้ทราบว่าเป็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเพราะเห็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะรู้ว่าเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้จะไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้ท่านก็เลยหาความสุขแบบถาวรดีกว่า ยอมทุกยากลําบากทุกที่เกิดจากการที่จะต้องหยุดหาความสุขชั่วคราวเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเป็นเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดแล้วจะเลิกจะไม่เสพยาเสพติดเวลาที่หยุดเวลาที่ไม่เสพนี้เป็นเวลาที่ ที่ทุกทรมานใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อเราติดอะไรแล้วเวลาเลิกนี้มันจะทุกทรมานใจแต่ผลที่ได้รับหลังจากที่หายจากการติดแล้วมันดีกว่าที่จะได้จากการเสพสิ่งที่ติดอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นผู้ที่ต้องการความสุขที่ถาวรนจึงต้องยอมทนทุกข์ทรมานไปกับการยุติหาความสุขชั่วคราวคือยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นมาถือศีลแปดกันศีลแปดนี้ก็คือ วิธีการที่จะทำให้ยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสินข้อ3ก็คือไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นสินข้อ6ก็ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นของร่างกาย รับประทานพอประมาณรับพอ ร, บ ร, รับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เดือกร้อน<ม>ก็ไม่ต้องรับประทานมากเอาแค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงก็พอแล้ว<ม>หลังจากนั้นก็ไม่ต้องรับประทานอาหารอีกต่อไปสำหรับวันนั้นเพราะไม่จาเป็นถ้ารับประทานก็สแสดงว่ารับประทานด้วยความอยากด้วยความติด ในรสชาติของอาหารก็เป็นการหาความสุขชั่วคราวเวลาที่ไม่ได้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะในช่วงบ่ายเย็นก็จะอยากรับประทานอาหารแต่เมื่อได้รักษาศีลแปดแล้วก็จะไม่สามารถรับประทานได้ ก็ต้องยอมทนทุกข์ไปกับการที่ไม่ได้รับประธานามือทามือเย็นแต่มันเป็นความทุกข์ชั่วคราวเพราะถ้าได้มาทำใจให้สงบได้มาสร้างความสุขที่ถาวรขึ้นมาภายในใจความทุกข์ทรมานนั้นก็จะหายไปเส้นข้อเจ็ก็เช่นเดียวกันเส้นข้อ เก็คือการละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการได้ไปดูไปฟังมหัรสบันเทิงต่างๆหรือจากการได้เสมสวยความงามของทางร่างกายแล้วก็สินข้อที่8ก็คือละเว้นจากการหาความสุขจากการหลับนอน มากเกินความจําเป็นการหลับนอนกับการรับประทานอาหารนี่ก็ทําเพื่อร่างกายเท่านั้นนะก็ไม่ต้องนอนมากเกินไปไม่ต้องรับประทานมากเกินไปร่างกายธรรมดาต้องการพักผ่อนวันละสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วการที่จะไม่นอนมากเกินไปก็ต้องไม่นอนบนฟูกหนาะหนาะนอนบนเตียงที่สุขที่สบาย ให้นอนบนพื้นแข็งเพื่อที่จะได้ไม่นอนมากเกินไปเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วเวลาตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายถ้านอนบนพื้นแข็งแข็งแต่ถ้านอนบนฟูกหนาหนามีความสุขมีความสบายก็จะนอนต่อจะทำให้ไม่มีเวลามา สร้างความสุขทางใจที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทางกายที่เป็นความสุขที่ถาวร น, นี่คือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่จะหาความสุขที่ถาวรจะเปลี่ยนจากการหาความสุขชั่วคราวไปสู่ความสุขที่ถาวรพระพุทธเจ้าพระอรหันตาสาวกทั้งหลาย ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราตอนนี้ท่านก็ติดอยู่กับการหาความสุขชั่วคราวหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายแต่เมื่อท่านเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะตามมาที่จะต้องไม่มีวันที่จะได้หาความสุขทางร่างกายท่านก็คิดว่าควรที่จะเปลี่ยนวิธีการหาความสุขดีกว่า ไปหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวรดีกว่าแต่ก็ต้องยอมทุกกับการที่จะต้องยุติการหาความสุขชั่วคราวและทุกขกับการที่จะต้องสร้างความสุขที่ถาวรมีทุกข์อยู่สองชั้นทุกข์ชั้นที่หนึ่งก็คือทุกข์ที่เกิดจากการละเว้นการหาความสุขทางร่างกายทุกข์ชั้นที่สอง ก็เกิดจากการที่จะต้องสร้างความสุขทางใจเพราะมันไม่ได้มาแบบฝนฟ้าอากาศที่จะตกลงมาเองเพอต้องการมันก็จะมามันเป็นความสุขที่ต้องสร้างกันขึ้นมาต้องมีการต่อสู้กับอุปสรรคขวางกั้นต่างๆเช่นนิวรณตัวที่จะมากีดขวาง การทำใจให้สงบเวลาเจ อ, อนิวอนนี้ก็จะเจอความทุกข์ยากลำบากพยายามนั่งสมาธินั่งเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบใจมีเรื่องว้าวุ่นขุ่นมัวอะไรต่างๆมาคอยกีดมาคอยขวางอยู่เรื่อยๆอก็จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการที่นุนแรง ที่สะเทือนต่อจิตใจเพื่อที่จะทําลายอุปสรรคที่ขวางกัน้นการสร้างความสุขทางใจนี่คือเรื่องของความทุกข์ยากลําบากของการสร้างความสุขที่ถาวรแต่ถ้าสามารถสร้างจนสําเร็จแล้วความทุกข์ยากลําบาก ต, าต่างๆต่างๆก็จะหายไปหมด และความสุขที่ถาวอรที่ได้รับนี้ก็จะคุ้มค่ากับความทุกข์ยากลำบากพระพุทธเจ้าพระหลันงตสาวกท่านไม่ได้ต่างจากพวกเราพวกเราอย่าไปคิดว่าเรากับพระพุทธเจ้านี้มีความแตกต่างกันในขั้นตอนที่ปฏิบัตินี้เหมือนกันตอนที่ท่านยังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราในขณะนี้ ที่ติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่จะต้องยุติการหานี้ท่านก็ต้องทุกเหมือนกับที่พวกเราทุกกันแต่ท่านเป็นคนฉลาดท่านเห็นผลที่จะตามมาต่อไปว่ามันเป็นผลที่ดีกว่ากว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันความทุกข์นี้ขอให้คิดว่าเป็นการลงทุน เวลาเราทามาค้าขายนี่เราต้องมีการลงทุนก่อนเมื่อเรามีร่งการลงทุนแล้วเราค้าขายไปถ้าการค้าขายของเราสำเร็จเราก็จะได้กำไรเราก็จะไดะ้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อค่าที่เราลงทุนไปแต่ถ้าเราไม่ยอมลงทุนนี่ เราก็จะไม่มีวันได้ผลตอบแทนกลับคืนมาถ้าเราไม่ยอมทุกขกับการยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่ยอมทุกขกับการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคที่มาคอยขวางกัน้นการทําใจให้สงบการสร้างความสุขทางใจเราก็จะไม่มีวันที่จะ ได้ความสุขที่ถาวรได้เราต้องดูพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็เป็นกิเลสเป็นผุุ้ชนที่มีกิเลสตัณหาเหมือนพวกเราในตอนนี้แต่ท่านยอมที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาท่านยอมที่จะยุติการหาความสุขชั่วคราว ยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทุ่มเทรชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสุขทางใจสละบ้านเรือนสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรียกว่าเป็นการทำทานนี่คือความหมายของการทำทานในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือ การสละทรัพย์สมบัติทั้งหลายสละทรัพย์เพื่อทําสละความสุขที่ได้จากการใช้ทรัพย์นี้เพื่อแลกกับการได้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมท่านสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐี เป็นคนธรรมดาสามัญมีสมบัติข้าวของมากน้อยเพียงไรก็สละไปหมดเพราะว่าถ้าไม่สละก็จะติดอยู่กับการดูแลรักษาติดอยู่กับการหาติดอยู่กับการใช้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขที่ถาวรคือความสุขทางใจ ท่นก็เลยสละบ้านสละเรือนสละครอบครัวสละสามีสละภรรยาสละลูกสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะได้บาเพ็ญอย่างเต็มที่พอท่านสละสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็ไปอยู่ไปถือศีลกัน ถือศีลแปดกันอย่างน้อยถือศีลแปดศีลสิบนะอันนี้เป็นศีลของนักบวชนะคือการยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ใช้กับการหาความสุขเหล่านี้มาหาความสุขทางใจจะได้มีเวลาไปเปีกวิเวกไปอยู่ตามลําพังไปอยู่ห่างไกล จากรูปเสียงกลิ่นรสปตภะเพราะการที่อยู่ใกล้นั้นจะทําให้เกิดแรงดึงดูดต่อกันนั่นเองเหมือนไฟกับน้ํามันถ้าอยู่ใกล้กันก็มีโอกาสที่จะลุกไหม้ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้เขาจึงมักจะแยกที่เก็บของน้ํามันกับไฟไว้ไม่ให้อยู่ใกล้กันจันดาผู้ที่ต้องการละ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายนี้ให้อยู่ห่างจากลูกเสียงกลิ่นรสผดพทพะต้องไปอยู่ที่ไม่มีลูกเสียงกลิ่นรสผดพทพะเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาเป็นสถานที่ที่ไม่มีลูกเสียงกลิ่นรสผดพทพะที่เคยเสดลูกเสียงกลิ่นรสผดพทพะที่ได้เห็นจาก การอยู่ที่ปีกวิเวงนี้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่ลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเหมือนกับรูปเสียงกิิ่นรสผทพะที่คอยเสกจึงต้องออกจากบ้านเรือนกันแล้วไปอยู่ตามป่าตามเขากันเพราะเป็นที่ที่ปลอดภัยจากการลุกลามของไฟของอรูปเสียงกินลดพลทพะนี้เอง นี่เรียกว่าเป็นการปิกเวกเพราะว่าไม่ต้องการที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายอีกต่อไปเพื่อที่จะได้กำจัดอุปสรรคที่จะมาขวางการสร้างความสุขทางทางใจก็คือการมชันทะความอยากเสพรูปเสียงกลิกนก่นรสผลตภะ ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นลดผลพทธะแต่ความอยากเสพมันก็ยังมีอยู่ภายในใจและมันก็ไม่ยอมตายไปอย่างง่า ย, ายเมื่อได้ปีกวิเวกแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาควบคุมกามฉันทะนี้คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลพทธะนี้ด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ควบคุมความคิดไว้ให้ได้หยุดความคิดไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพะต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้ไปคิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพะก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจจนทำให้ไม่สามารถทนอยู่ในที่ปลีกวเวกนันได้เพราะความอยากนี่มันจะฉุดลาก ให้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้กลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสพจน์เถพะะดังนั้นเมื่อปิดเวิเวกแล้วสิ่งที่ต้องทันต่อไปก็คือต้องหมั่นเจริญสติคือทำที่จะทำให้ใจไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสพจน์เถพะะเช่นให้เราเลอกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าพุทธานุสติก็ให้ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสได้กามัชันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะทำงานไม่ได้เพราะมันต้องใช้ความคิดเป็นตัวเป็นเครื่องมือในการ ทำให้เกิดการมัชันทักขึ้นมาดังนั้นหลังจากที่ได้ไปปีกวิเวกแล้วสิ่งได้ต้องพยายามทำต้องหมั่นพยายามทำให้มากก็คือการเจริญสติควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ความคิดนี้คิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสพุฏธภาให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้าใช้พุทธานุสติ ถ้าใช้มรณานุสติก็ให้เราเลิกถึงความตายไปเรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ตายไปหาความสุขได้มามากได้น้อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องหมดแล้วเดี๋ยวก็จะหาไม่ได้แล้วพอเวลาหาไม่ได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเรียกว่าการใช้มรณานุสติลเลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ หรือจะใช้กายกะตาสติก็คือการดูร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายไปอยู่เรื่อยๆไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ใจก็จดจอ่อเฝ้าอยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ส่งไปหาเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญให้อยู่กับร่างกายไปกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกาลังนั่งกาลัง ทำอะไรรับประทานอาหารอาบน้ำอาบท้าแต่งเนื้อแต่งตัวทำความสะอาดปัดกวาดถูกวาดถูซักซเสื้อผ้าทำอะไรต่างๆก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นดดรสปดตาปา แล้วความอยากที่จะไปเสกรูปเสียงกลิ่นรสพุธภพก็จะไม่มีแล้วพอเวลาที่ไม่ต้องทำภารกิจก็ให้มีสติอยู่กับการเดินจงกรมหรือเวลานั่งก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเวลานั่งหลับตาแล้วก็ให้ดูลมที่ปลายจมูกเวลาลมหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้า เวลาหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปวิภาควิจารลมลมจะสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นลมจะยาวก็รู้ว่ายาวลมจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบลมจะหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปให้สักแต่รู้ให้มีสติอยู่กับการรู้เฉยๆไปถ้าไม่มีลม เหลืออยู่ก็ให้รู้เฉยๆไปให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็ให้อยู่กับความรู้เฉยๆนี้ไปประครับประคองให้รู้เฉยๆไปแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบวุบลงไปในที่สุดแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรหลังจากนั้นจิต ก, ก็จะนิ่งสบายถ้านิ่งได้เดี๋ยวเดียวก็เรียกว่าคณิกะนิ่งแล้วก็ถอนออกมากลับมารับรู้ ลมหายใจมารับรู้เรื่องร่างกายมาคิดถึงเรื่องต่างๆอันนี้เรียกว่าได้ออกจากความสงบแล้วขณะที่อยู่ในความสงบนี้มันจะไม่ได้คิดปรุงแต่งจะเหลือแต่สัตธวรมรู้เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าอยู่นานเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าอยู่เดียวๆแล้วถอนออกมา ก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าอยู่ถ้ารวมแล้วไม่ถอนออกมาแต่ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยๆออกไปรับรู้นิมิตต่างๆรับรู้เรื่องราวต่างๆภายในสมาธินั้นเราก็เรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็เป็นที่ไปรับรู้เรื่องของโลกทิพนั่นเอง รูปรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพคือมีตาทิพมีหูทิพสามารถได้ยินเสียงที่เสียงที่หูธรรมดาไม่ได้ยินสามารถเห็นรูปที่ตาธรรมดามองไม่เห็นก็จะได้สัมผัสกับกายทิพต่างๆเช่นเทวดาหรือบรรดาดวงวิญญาณต่างๆที่ยังล่องลอยอยู่ ที่ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไไปเกิดเป็นเดรัจฉานโรกนี้เขาก็จะมีเป็นดวงวิญญาณเขาก็จะสามารถติดต่อสนทนากับผู้ที่มีอุปจารสมาธินี้ได้แต่สำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างความสุขที่ถาวรนั้นจะต้องระวัดระวังไม่ปล่อยให้ใจออกไปใน ทางของสมาธิแบบนี้คือถ้าเกิดเป็นนิสัยหรือเป็นวาสนาที่เวลาจิตสงบแล้วจิตจะออกไปรู้เรื่องนิมิตต่างๆนี้ท่านสอนว่าให้ดึงกลับเข้ามาอย่าตามไปอย่าปล่อยให้ไปเพราะว่าสมาธิแบบนี้ไม่ได้มีอุเบกขาจะไม่มีกําลังที่จะทำให้จิตมีพลัง ไว้ในการเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้ทำลายสิ่งที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสิ่งที่มาขัดขวางการสร้างความสงบของใจก็คือกิเลสตัณหาต่างๆจะจะฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆได้นี้จำเป็นจะต้องมี สมาธิแบบนิ่งๆแบบที่มีอุเบกขาไม่มีนิมิตอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าออกไปรับรู้นิมิตต่างๆนี้ใจก็ยังไม่นิ่งนั่นเองใจก็ไปทำงานต่อแทนที่จะไปดูรูปเสียงกลิ่นรสทางทางร่างกายก็ไปดูนิมิตต่างๆทางใจแทนใจก็จะไม่มีพลัง ที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่เป็นตัวที่มาทำลายความสงบที่แท้ทจริงที่ถาวรดันงนั้นถ้าเกิดเป็นเจริญนิสัยของผู้ปฏิบัติที่เวลาจิตสงบแล้วไม่อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ตั้งอยู่ในอุเบกขาออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆก็ต้องเดินกลับเข้ามา อย่าพึ่งไปสนใจเรื่องราวเหล่านี้ท่านบอกว่าความสามารถเหล่านี้มันยังอยู่กับเราต่อไปถ้าเรามีความสามารถที่จะออกไปมีตาทิ่ผูทิพมีอิทธิฤทธ์อะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่หายไปแต่เราไม่ควรที่ไปสนใจไปใช้มันในขณะที่กําลังเจริญภาวนาเพื่อกําจัดกิเลสตัณหา ให้ดึงใจกลับเข้ามาอยู่ในสมาธิที่นิ่งที่เฉยที่เป็นอุเบกขาปล่อยให้มันอยู่แบบนั้นนานๆเพื่อจะได้สร้างกำลังหยุดของใจไว้เพราะว่าเวลาออกไปเผชิญกับกิเลสตัณหาจะได้หยุดกิเลสตัณหาได้นั่นเองจะได้ทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจหลังจากที่ได้ทำลายกิเลสตัณหาหมดไปแล้วนี้ จะมาใช้อุปจารสมาธิจะมาเพลิดเพลินอะไรกับมันก็ไม่เป็นปัญหาจะมาใช้ความสามารถพิเศษมาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนผู้อื่นก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆไว้ในการสั่งสอนบุคคลบางบุคคล เพื่อให้เขาได้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อองค์อาจจะไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหา ร, ริย์ด้วยความสามารถพิเศษนี้เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่ถ้าออกไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของ กิิ์ปาฏิหาริย์กับความสามารถพิเศษก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลส ต, ตันหาไปจะเอาวิชาความรู้ความสามารถเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือหาลาภยศสระเสิอหาลูกเสียงกลิ่นลดผธต่เพราใจยังไม่มีความสุขที่ถาวรก็เลยต้องมาหาความสุขชั่วคราวต่อไปโดยการอาศัยความสามารถพิเศษที่ได้จากการนั่งสมาธิ ได้อุปจารสมาธินี้ดังนั้นถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ขั้นวิปัสสนายังไม่ได้เข้าสู่ขั้นวิมุตติหลุดพ้นผู้ปฏิบัติถ้าเกิดไปมีอุปจาระสมาธินี้ก็ควรที่จะอย่าตามอย่าปล่อยให้ใจไปให้ดึงกลับมาให้อยู่ในอัปปนาสมาธิให้อยู่ในความสงบอยู่ความนิ่งอยู่ในอุเบกขาไปจนกว่าจิตจะถอนออกมา พอถอนออกมาจิตก็จะมีกําลังที่จะพิจารณาสิ่งที่จิตไม่อยากจะพิจารณาเพราะกิเลสตัณหาไม่ชอบให้พิจารณาก็คือความเสื่อมต่างๆความไม่สวยงามต่างๆกิเลสตัณหาชอบพิจารณาความเจริญชอบพิจารณาความสวยความงามแต่ไม่ชอบพิจารณาความเสื่อมความไม่สวยงามจึงทาให้จิตลหลงไหลติดอยู่กับ สิ่งที่เป็นของที่จะต้องเสื่อมเป็นของที่จะต้องกลายเป็นของที่ไม่สวยงามไปจึงจาเป็นต้องบัคงคับให้มองความเสื่อมของสิ่งต่างๆมองความไม่สวยงามของสิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้คลายคว า, ลความหลงไหลเพื่อที่จะได้ยุติ ving, ความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆมาเจ็บมาให้ความสุขกับตน อันนี้จําเป็นจะต้องมีใจที่มีอุเบกขาเพราะขณะที่มีอุเบกขานี่ตัณหากิเลสนี่ถูกตัดกําลังลงไปจะไม่มาขัดมาขวางในการพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในการพิจารณาอสุภในการพิจารณาอาหารเลยปฏิปุระสัญญาต้องมีใจที่มีอุเบกขาที่ได้จากการนั่งสมาธิ ในอปปนาสมาธิแต่มันก็จะเป็นอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งพอถอนออกมาแล้วอุเบกขามันก็จะค่อยๆ อ, อ่อนกำลังถ้ามีการคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆกิเลสตัณหามันก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปแล้วพอถึงขีดหนึ่งการพิจารณาก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปได้หรือเป็นการหดหู่หงุดหงิดนาคารใจได้ ด้วยอํนนานาจของกิเลสตันหาเมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องยุติการเจริญปัญญายุติการพิจารณาไว้ชั่วกราวแล้วกลับเข้ามาสู่ในอัปปนาสมาธิใหม่มาทําใจให้สงบให้นิ่งใหม่พอจิตถอนออกมาแล้วมีกําลังของอุอเบกขาก็มาพิจารณาใหม่ต่อไปที่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็เพื่อว่าให้มันฝังอยู่ในใจ ให้มันเห็นได้ตลอดเวลาเวลาใดที่อยากจะเห็นอนิจจังก็จะเห็นได้เวลาใดที่อยากจะเห็นอนัตตาก็เห็นได้เวลาใดที่อยากจะเห็นทุกขังก็เห็นได้เวลาใดที่อยากจะเห็นอสุภาก็เห็นได้เวลาใดที่อยากจะเห็นอาหารในปฏตกริยรสัญญาก็เห็นได้การจะเห็นได้แบบนี้ก็ต้องมีการพิจารณาอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจ เหมือนกับการท่องจำอะไรอย่างนั้นแหละเหมือนกับการท่องจำสูตรคูณถ้าเราไม่ท่องจำสูตรคูณเวลาที่เราจะคูณหารกันนี่เราจะทำไม่ได้แต่ถ้าเราจำสูตรคูณได้เวลาจะคูณเวลาจะหารนี่เราก็สามารถทำได้ทันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันการพิจารณาอยู่เนืองๆ อ, อยู่บ่อยๆ ก็เพื่อที่จะให้มันฝังอยู่ในใจให้จิตใจจดจำมันได้ตอเวลาที่จะต้องเอามาใช้ในการทําลายกิเลสตัณหาต่างๆก็จะได้เอามาใช้ได้พอเห็นอนิจจังก็จะไม่อยากได้พอเห็นทุกขังก็จะไม่อยากได้พอเห็นอนัตตาก็จะปล่อยจะไม่ยึดไม่ติดพอเห็นอสุภาก็จะไม่อยากก็จะไม่มีการมาหลง พอเห็นอาหารเลยปฏิกูลละสัญญาก็จะไม่มีความอยากจะรับประทานอาหารอันนี้คือขั้นตอนของการเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นอาหารเลยปฏิกูลละสัญญาถ้าเห็น ด้วยปัญญาแล้วความอยากในสิ่งต่างๆมันก็จะหายไปเวลาโผล่ขึ้นมาก็จะถูกปัญญานี้มาทำลายไปจนในที่สุดมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเมื่อไม่โผล่ขึ้นมาแล้วความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิความสงบที่เกิดจากการมีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งมันก็จะสงบไปอย่างถาวร จะไม่มีวันเสื่ออีกต่อไปแล้วก็จะไม่มีภารกิจอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไปไม่จาเป็นที่จะต้องมาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาพิจารณาอะไรต่อไปเพราะว่าปัญหาต่างๆนี้ได้รับการกำจับหมดไปแล้วปัญหาก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากตัณหาทั้งสาม คือกรารตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานี้ได้ถูกการเจริญสมาธิและปัญญานี้ทำลายหมดไปแล้วไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วงานก็หมดไม่มีงานทำไม่มีอะไรต้องทำอีกต่อไปภารกิจทางพรหมจันทร์ก็สิ้นสุดลงการสร้างความสุขที่ถาวรก็สร้างได้เรียบร้อยแล้ว เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาเหมือนกับความสุขชั่วคราวที่เราได้กันความสุขชั่วคราวที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสปดตาพระพอได้มาแล้วเราก็ต้องคอยดูแลรักษาเพราะเราอยากจะให้อยู่กับเราไปานานๆแต่ดูแลรักษามากน้อยเพียงใดดีขนาดไหน มันก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันจากเราไปอยู่ดีพอเสื่อมไปจากไปเราก็ทุกข์แล้วเราก็เลยต้องไปดิ้นหลนไปหาอันใหม่มาแทนมันมาแทนอันเก่าหามาแทนกี่อันมันก็ต้องมีวันหมดไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่จะไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะหามาทดแทนได้เวลานั้นก็จะเหลือแต่ความทุกข์ระทรมทุกทุกใจเศร้าเศร้าใจ วาเวนี่คือเรื่องของความสุขสองแบบด้วยกันความสุขที่ถาวรมกับความสุขชั่วคราวถ้าหาความสุขชั่วคราวก็ต้องหาไปเรื่อยๆพอได้มาแล้วหมดไปก็ต้องหาใหม่พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาเกิดใหม่ พอเกิดแล้วก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้มาพบกับนักบาญอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกพวกเราก็จะไม่ได้รู้จักวิธีหาความสุขที่ถาวรตอนนี้พวกเราได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้มาเจอคำสอนของพระอรันตสาวกทั้งหลายแล้ว ก็อยู่ที่พวกเราว่าเราจะเลือกเอาความสุขแบบไหนเพราะไม่มีใครจะมาบังคับเราได้นอกจากตัวเราเองพระพุทธเจ้าพระอารตสาวกนี้ท่านก็เป็นเพียงผู้เสนอแนวทางเท่านั้นเสนอทางเลือกใหม่เมื่อก่อนนี้พวกเราไม่มีทางเลือกเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้เราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องเอาความสุขชั่วทาวไป แต่ตอนนี้เรามีทางเลือกที่ดีกว่ามีความสุขที่ถาวรรอเราอยู่อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อที่ในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่เชื่อแล้วเราจะนำเอาไปปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราเชื่อแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้กลายเป็นพระอาลันตสาวกเพราะพระอาลันตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนพวกเราพอท่านได้ยินได้ฟัง สิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็เกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติสละความสุขทางล่างกายไปออกบวชถือศีลแล้วก็เจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาคือเจริญสติสมาธิปัญญาพอมีสติสมาธิปัญญาก็จะสามารถ สร้างความสุขทางใจให้ปรากฏขึ้นมาได้อยู่อย่างถาวรได้งนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทำกันก็คือต้องยุติการหาความสุขช่วงคราวนี้แล้วมาหาความสุขที่ถาวรกันด้วยการมารักษาสิ่งของนักบวชกันไปปีกวิเวกไปอยู่ในที่สงบสงัดห่างไกลจากรูเสียงกลิ่นรส แล้วก็หมั่นจเจริญสติสมาธิและปัญญาพอได้สติได้สมาธิปัญญาเต็มรอยแล้วก็จะได้ความสุขถาวรเต็มรอยตามลำดับนี่คือเรื่องของการหาความสุขที่ถาวรไม่มีใครที่จะตัดสินใจให้กับพวกเราได้พวกเราต้องเป็นผู้ตัดสินใจเราเอง ว่าพวกเราจะต้องเป็นผู้รับผลของการตัดสินใจของเราเองคนอื่นไม่สามารถที่จะมารับการตัดสินใจของเราได้พระพุทธเจ้าผ้าหลัง ส, สาวกไม่สามารถที่จะเอาความสุขที่ถาวรนี้มายัดเยียดให้กับพวกเราได้เพราะเราจำเป็นที่จะต้องสร้างมันขึ้นมาเองแต่มีแต่ท่านสอนเราได้บอกเราได้ว่า วิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี้สร้างอย่างไรเราก็ต้องเกาะติดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะสร้างความสุขที่ถาวรนี้ให้สําเร็จบริบูรณ์ได้เพราะเรายังต้องอาศัยคําสอนคําแนะนําไปเรื่อยๆเพราะขั้นตอนของการปฏิบัติแต่ละขั้นก็มีรายละเอียดเป็นย่อยที่เราต้องศึกษา ที่เราจะรู้จะเห็นเวลาที่เราปฏิบัติเวลาเราปฏิบัติแล้วเราไปติดอยู่ตรงไหนเราก็ต้องไปถามผู้ที่รู้เพื่อที่จะได้รู้วิธีแก้ปัญหาต่างๆรู้วิธีแก้อุปสรรคที่ขวางทางอยู่ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติอยู่ตามนั้นยังมีความจำเป็นที่จะต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นาทาง เป็นผู้แนะแนวทางแต่พอได้สำเร็จแล้วพอได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเหมือนกับนักศึกษาที่ได้ได้จบปริญญาแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมาหาอะไรไปหาครูหาอาจารย์พอได้จบเดือนจบแล้วได้วิชาความรู้ที่ต้องการแล้วสามารถนำมาวิชาความรู้เหล่านั้นไป ทำมาหากินได้ได้แล้วฉันได้การปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นขณะที่ปฏิบัติอยู่นี้ก็ยังต้องพึ่งพาพระพุพทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่เรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงขั้นสุดท้ายจนกว่าจะได้หลุดพ้นแล้วได้บรรลุ ถ, ถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วได้พบอารมณ์มาสุขแล้วได้พบกับความสุขที่ถาวรแล้วก็จะไม่ต้องพึ่ง พระพุทธพระมพระสงฆ์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่สองชนิดคือความสุขชั่วคราวที่เป็นความสุขเบื้องต้นแต่เป็นความทุกข์บ้านปลายกับความสุขที่ถาวรที่เป็นความทุกข์ในเบื้องต้นแต่เป็นความสุขในบ้านปลายเราก็เลือกได้อย่างใดอย่างหนึง่ง แต่ยาวทั้งสองอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหมือนกับการที่จะเดินทางไปทิศเหนือกับทิศใต้พร้อมๆกันในย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าต้องการเดินทางไปทิศเหนือก็ไม่สามารถเดินทางไปทิศใต้ได้เพราะอยู่คนละทิศกันนั่นเองต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งถ้าจะเอาความสุขชั่วคราวก็ต้องยอมรับกับความทุกข์ที่จะตามมาในบ้านปลาย ถ้าต้องการความสุขที่ถาวรก็ต้องยอมรับกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเลียกร่ยงได้ก็ต้องไปพิจารณาดูกันเอาเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ต้องการจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยก็ะจะขออนุญาตหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะจะไม่มีการถามตอบปัญหากันอีกถ้าต้องการถามก็ขอให้ถามในช่วงนี้ได้เลยถ้าไม่มีอะไรตอนนี้ก็จะให้พิธีกร เอาคำถามของผู้ที่ติดตามทางบ้านฝากถามมาคำถามจากทางบ้านจากคุณซาล่าปฏิบัติสมาธิถึงขั้นไหนคะถึงจะบรรลุ ข, ขั้นโสดาบันคะก็ต้องมีสมาธิที่มีกำลังที่จะหยุดตันหาความอยากได้แล้วก็ต้องมีปัญญาที่จะเห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นทุกข์เช่นร่างกาย อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องมีกำลังสมาธิที่พอจะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้คือต้องป่งให้ได้ยอมตายยอมเจ็บถ้ายอมตายยอมเจ็บแล้วก็จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต้องมีปัญญา <c oughs> เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยง มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดาแต่ใจผู้ที่ประหยักนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความอยากแต่อย่างไรเพราะความอยากจะเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้ ก็จะบรรลุเป็นพระสวสดาบรรได้คำถามจากคุณสรัญญาการสวดมนต์ถือเป็นการภาวนาไหมคะก็เป็นการทำเจริญสติเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิแต่เป็ น, ข, นขั้นเริ่มต้นสงบก็คงจะไม่สงบเท่ากับการเพ่งดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธแต่ ก็เป็นประโยชน์ในสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเพ่งดูลมหลือพุทธโธได้ก็อาศัยการสวดมนต์กล่อมใจไปก่อนพอใจอสงบลงในระดับหนึ่งก็จะสามารถเพ่งดูลมบริกรรมพุทธโธต่อไปได้คำถามจากคุณพาดาวางแผน ล, ลาออกจากงานอีกหปีอยากเป็นอิสระและใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่บางครั้งจิตไม่ยอมลงให้ เบื่อๆอยากๆยากควรปฏิบัติอย่างไรดีคะก็ควรลาออกเสี้ยเดียวนี้เลยเพราะการจะไปรู้ว่าจะอยู่ถึงห้าปีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราอยากปลีกวิเวกแต่ทำให้บุพการีเสียใจน้ำตาล่วงเครียดนอนไม่หลับเราควรจะยังคงไปหาที่ปลีกวิเวทหรือควรอยู่บ้านเพื่อความสบายใจของบุพการีคะ ความไม่สบายใจของบุพการีเพราะเขาไม่ยอมรับความจริงว่าจะต้องมีการพัดพลาดจากกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่จากกันวันนี้ก็ต้องจากกันในวันข้างหน้าอยู่ดียิง่งการที่ทําให้เขาร้องหม่มร้องห้านี้ไม่ได้เป็นการกระทําของเรามันเป็นการกระทําของเขาเองที่เขาไม่ยอมรับความจริงว่าจะต้องมีการพัดพลาดจากกันคําถามจากคุณปลาข้อหนึ่ง ฝึกนั่งสมาธิมาประมาณสามปีโดยบริกรรมพุโทโธแต่ขณะบริกรรมจะรู้สึกตึงปวดบริเวณตาหน้าผากและศีรษะทุกครั้งรู้สึกทรมานและไม่อยากบริกรรมบางครั้งหลังจากที่นั่งเสร็จจะรู้สึกเหนื่อยมากใจเต้นควรทําอย่างไรคะก็ลองคิดถึงตอนที่ไปร้องเพลงคาราโอเกะดูลองเพลงคาราโอเกะแล้วมัปวด <laughs> พุทธพ่อมาพุโทโธมันปวดมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของความชอบไม่ชอบพอเราต้องไปทําในสิ่งที่ไม่ชอบมันก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมาถ้าได้ได้ทำในสิ่งที่เราชอบนี่มันหายไปหมดนะข้อสองในชีวิตประจําวันหากเราบริกรรมพุโทโธแบบมีเสียงโดยทําปากขมุบขมิดไปด้วยจะได้สติหรือพลังจิตไหมคะ เพราะถ้านึกในใจก็จะรู้สึกอึดอัดมันก็มันพลังจิตมันอยู่ข้างใ น, นไม่ได้อยู่ที่ปากน <c oughs> ันไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้วาจาบริกรรมเราต้องการใช้ใจเป็นผู้บริกรรมมันจะอึดอัดก็อย่าไปสนใจมันมันเป็นเรื่องธรรมดาเวลาที่เราทำอะไรที่เราไม่ชอบมันก็จะเกิดอาการอึดอัดขึ้นมา แต่ก็เราทําไปบ่อยๆเข้ามันก็จะชินแล้วมันก็จะหายไปเองข้อ 3. หากใช้การดูลมหายใจจะต้องตามลมเข้าไปข้างในด้วยไหมคะหรือดูเฉพาะที่ปลายจมูกเท่านั้นและการดูลมหายใจนี้ได้บุญหรือไม่ค ะ, ะไม่ต้องตามลมเหรอให้ดูอยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่จุดที่ลมสัมผัสเด่นชัดที่สุดคือบริเวณปลายจมูกหเหนืเอหรือบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาให้อยู่ตรงจุดนั้น เวลาจิตสงบก็จะได้บุญมากเป็นบุญที่สูงสุดคำถามจากคุณฟ้าชายเป็นคนส่วนมนต์และนั่งสมาธิทุกวันมาสามถึงสี่เดือนแล้วค่ะก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บหน้าอกบ่อยจึงหันมานั่งสมาธิเพราะแต่ก่อนเคยทำแล้วชอบที่ใจสงบดีพอปฏิบัติมาได้หนึ่งสัปดาห์อาการเจ็บหน้าอกก็หายไปจิตใจสงบขึ้นจึงเริ่มนั่งสมาธิเช้าเย็น ได้รักษาศีลไปด้วยแต่อาทิตย์ก่อนไม่สบายจึงนั่งสมาธิได้ไม่เต็มที่พออาการดีขึ้นเวลานั่งกรับรู้สึกเหมือนน้ำลายเต็มปากมันจะไหลออกมาพยายามพุโทโธก็จะหายไปแต่พักนี้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งควรทำอย่างไรดีคะเพราะทุกครั้งถ้าผ่านอาการใดไปได้ก็จะไม่กลับมาเป็นอีกคะ่ะก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆแบบที่เราเคยทามา ้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้เวลาไม่สบายก็สามารถนอนภาวนาไปได้ที่ไม่ให้นอนภาวนาเพราะกลวจะหลับแต่เมื่อเรานั่งภาวนาไม่ได้เรานอนเรานอนอยู่เราก็ยังภาวนาไปได้และถ้ามีสติดีก็อาจจะไม่หลับก็ได้งนั้นอย่าให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นอุปสรรคขวางการภาวนาของเราเพราะการภาวนาของเรานี้ภ า, นาภาวนาที่ใจ ไม่ได้ภาวนาะที่ร่างกายดังนั้นถ้าเราอยู่ในในท่านั่งไม่ได้ท่าเดินไม่ได้ท่ายืนไม่ได้เราอยู่ในท่านอนเราก็ภาวนาไปมันจะหลับก็ปล่อยมันหลับไปเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาเราก็ภาวนาต่อไปคำถามจากผู้ฝากถามถ้าเราเจอคนที่คอยแต่มีแต่จะเบียดเบียนเราใส่ร้ายป้ายสีเราขณะที่เราทาถูกต้องตามหลักกฎหมายจะมีวิธีทาอย่างไร ให้คนผู้นั้นให้เขามีเมตตาต่อเราและไม่เบียดเบียนเราครับก็เหมือนกันกับการที่จะไปทํำกล้วยให้เป็นส้มเนี่ยเป็นเป็นไปได้หรือไม่เราอยากจะให้กล้วยมันเป็นส้มทำยังไงจนวันตายมันก็ยังเป็นกล้วยอยู่ดีมันเป็นส้มไม่ได้คนที่เขาเป็นอะไรอย่างไรเขาก็เป็นอะไรอย่างนั้นของเขาเราจะไปอยากไปเปลี่ยนเขานี่มันเปลี่ยนไม่ได้ นอกจากตัวเขาต้องเป็นผู้เปลี่ยนตัวเขาเองคำถามจากคุณชนิดาพาในบางครั้งหนูรู้สึกอิจฉาลิษยาบุคคลอื่นจะทำอย่างไรให้ตัดได้คะเพราะรู้สึกตลกตัวเองค่ะก็ต้องคิดว่าคนอื่นเหมือนตัวเราเวลาเขาได้ดีบได้ดีเขามีความสุขเวลาเราได้ดีบได้ดีเราก็มีความสุขเราจึงไม่ควรไปอิจฉาในความสุขของผู้อื่น และหนูอยากดับความโมโหและความโกรธค่ะก็เกิดจากความอยากของเรานั่นแหละถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เราก็โกรธขึ้นมาแลี่เราก็ต้องพยายามลดละความอยากให้มันน้อยลงไปให้ถือหลักมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็จะไม่โกรธใครคำถามของนุ้งหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วเดี๋ยวให้ทางคุณต่อถามมีคำถามสดที่เข้ามาอยู่ คำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณอิศริยาพร์นะครับ <c oughs> ขอถามคำถามเกี่ยวกับการทำสมาธิเดินจมกรมอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังขาดในการรักษาศีลห้าแล้วจะทำบุญแล้วจะได้บุญใหม่คะเพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกันคะคือการรักษาศีลนี่จะเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่จะสนับสนุนในการนั่งสมาธิการเดินจงกรมถ้าเราขาดเครื่องมือคือการรักษาศีลใจของเราก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายกับการไปทำผิดศีลมันก็จะทาให้เรา ต้องเสียเวลากับการไปแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำผิดศีลของเราแล้วก็ทําให้เรายังไม่มีเวลามาปฏิบัติได้เต็มที่แล้วก็จะมีความรู้สึกวุ่นวายใจค้างค้างอยู่ภายในใจจะทําให้การทําใจให้สงบนี่ยากกว่าการที่มีศีลดังนั้นในเบื้องต้นต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ก่อน แลศีล5ก็ไม่พอสำหรับการที่จะมาปฏิบัติจิตตภาวนามาเดินจงกลมนั่งสมาธิจาเป็นจะต้องมีศีล8ถึงจะมีเวลาและใจก็จะเย็นใจก็จะสงบมากกว่าผู้ที่รักษาศีลห้าเพราะผู้ที่รักษาศีลห้ายังสามารถที่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ เป็นการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อยูก็จะทําให้ใจยังมีความอยากมีความกวนกวายความกําหนัดยินดีกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทําให้ไม่มาเดินจงกรมไม่มานั่งสมาธิแต่ถ้าถือศีลแปดมันก็เป็นการปิดประตูไม่ให้ใจไปหาความสุขทางร่างกายก็เลยต้องมาหาความสุขทางใจ ก็จะมีเวลาที่จะมาเดินจนกงกรมนั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่คําถามจากคุณนะณะเนา่นาหวัวนนะครับในกรณีที่ต้องการรักษาศีลนแปดแต่ยังคงต้องทํางานตามปกติเราสามารถนํามาปรับได้บ้างไหมคะอย่างเช่นการกินอาหารต้องไม่เกินเที่ยงแต่ในการทํางานเราได้พักบ่ายโมงเราสามารถเลื่อนเวลาออกมาได้ไหมคะ ในส่วนของการแต่งกายนั้นบางงานมีความจำเป็นต้องแต่งตัวบ้างเพราะต้องมีการพบปะผู้คนจะสามารถแต่งได้ไหมคะถ้ามีเหตุมีผลก็ปรับได้เช่นรับประทานอาหารช้าเป็กสักชั่วโมงอันนี้ถ้าไม่ได้เกิดจากความอยากของเราเองบางคนอยากจะกินบ่ายๆหน่อยจะได้ตอนเย็นจะได้ไม่หิว กลัวความหิวอย่างนี้ก็ไม่ควรหิวก็ปล่อยให้มันหิวไปเพราะหิวส่วนใหญ่มันหิวที่ใจมันไม่ได้หิวที่ร่างกายเราเราสามารถระงับความหิวได้ด้วยการภาวนาทําใจให้สงบอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของเหตุผลเรื่องของการทํางานที่ส่วนใหญ่เขาจะพักกันตอนเที่ยงวันเราก็รับประทานอาหารตอนที่เราพักไป เรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งไปตามพอความเหมาะสมตามกาลเทศะก็ไม่เป็นปัญหาเลยอย่าไปแต่งเพราะอยากจะ เ, เสริมสวยความงามเสริมสวยบุคลิกบุคลิกของตน อ, อันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสไปคําถามข้อต่อไปจากคุณดวงตานะครับถ้ากินมากนอนมากแม้จะนอนในที่นอนแข็งแข็งแล้ว ก็มีเรื่องทุกแบบที่ไม่ได้ตั้งใจควรทำตัวและทำใจอย่างไรคะก็ต้องกินให้น้อยแหละพยายามนัดนิสัยตนเองอย่าไปกินให้มันมากให้หัดเจริญอาหารเลยปฏิคูและสัญญาบ้างให้นึกถึงสภาพของอาหารที่มันเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของมันเวลาอยู่ในจานก็มีรูปร่างลักษณะอย่างหนึ่งเวลาที่มันอยู่ในปากขบเคี้ยวอยู่ผสมกับน้าลาย ก็ลองคายออกมาดูหน้าตามันบ้างเวลาไม่สบายเวลาอาเจียนออกมาก็นั่งดูบ้บางเวลาที่ขับถ่ายออกมาทางทวารก็นั่งจ้องนั่งเพ่งดูบ้บางพิจารณามันบ้างว่าอันนี้ก็อาหารดีๆนี่เองที่เราอยากกินเยอเกินทำไมพอถึงตอนนี้แล้วเราไม่อยากกินเสียแล้วก็อันนี้ก็จะทาให้เราเวลาที่เกิด การอยากจะกินอาหารมากๆก็ให้นึกถึงส่วนที่มันทําให้เราไม่อยากกินบ้างมันก็จะตัดความอยากลงไปได้แล้วเราก็จะกินไม่มากคําถามจะคุณก้อยนะครับอยากถามพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติธรรมแบบสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแตกต่างกันอย่างไรครับคือมันเป็นสองขั้นตอนนยสมถะก็ทาใจให้สงบ วิปัสสนาก็คือเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อตัดดิเลตตันหาต่างๆให้หมดไปจากใจเป็นงานที่จะต้องทําต่อเนื่องกันสนับสนุนกันคําถามจากคุณสุพนานะครับนั่งสมาธิกับพระอาจารย์นั่งบริกรรมพุทธังสระนังขะฉามิธรรมังสระนังขะฉามิสังฆังสะระนังขะฉามินะโมพุทธายะพอจิตสงบ ใก้ท่านเทศจบแล้วสะดุ้งเหมือนมีอะไรหลุดจากเขาซ้ายมองไปเห็นเด็กผู้ชายอายุราว12บปีนอนอยู่แล้วหายไปในวงเล็บเห็นขณะนั่งสมาธิแล้วต้องทําอย่างไรต่อคะก็ปล่อยวางมันผ่านไปแล้วมันไม่มีพิจารณาดูว่ามันมีสาระประโยชน์อะไรหรือไม่สาระประโยชน์ก็คือเอามาดับกิเลสตัณหาต่างๆได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็ปล่อยมันผ่านไปพิจารณาว่ามันเป็นอ น, นิจจงมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันกลับมาไม่ได้หรือเวลามันมาห้ามไม่ให้มันมาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความเป็นจริงไม่ต้องไปสนใจรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปคาถามจากคุณนารินนะครับ ผู้ที่บรรลุพระโสดาบันจะมีนิมิตอะไรแสดงให้รับทราบได้บ้างครับและพระโสดาบันจําเป็นหมครับที่จะสามารถรับรู้เรื่องโลกทิพย์เรื่องรับรู้โลกทิพย์นี่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นโสดาบันนะโลกทิพย์นี่มันเป็นเรื่องของเวลาจิตเข้าสมาธิแล้วมีอุปจาระสมาธิก็จะไปรับรู้เรื่องโลกทิพย์ได้ส่วนโสดาบันนี่ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็น ใจรักแค่เนาระยะสัสส้นสีเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแต่ท่านปล่อยวางร่างกายได้เหมือนกับปล่อยวางร่างกายคนอื่นเวลาร่างกายคนอื่นเป็นอย่างไรเราไม่ทุกข์ชันใดร่างกายของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันฉันนั้นคำถามจากคุณอเล็กนะครับ การกราบไหว้พระภูมิเจ้าที่จะถือว่าเป็นวิจิกิจฉาได้ไหมครับมันไม่ใช่หละมันเป็นการเชื่อในสิ่งที่เราถูกเสี้ยมสอนมาหรือที่เราได้เรียนรู้มาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็อยากจะให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราถ้าจะเรียกว่าเป็นวิชาทิฐินี่จะน่าจะได้คือเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้อง ว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดในโลกนี้ที่จะกุ้งคลองรักษาใจของเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นคำถามจากผู้ไม่ผิดย่อมไม่รู้นะครับผมนั่งสมาธิพอจิตเริ่มจะสงบหากมีเสียงดังมารบกวนจะเกิดอาการเหมือนไฟชอ็อตหรือก่อนนอนผมจะบริกรรมพุทโธแล้วมีอาการเหมือนไฟช็อตเหมือนกัน อยากทราบว่าเป็นอาการของจิตที่ไม่มีกำลังพอหรือจิตอ่อนใช่หรือไม่และมีผลต่อการปฏิบัติหรือไม่ขอทราบแนวทางการปฏิบัติต่อไปครับคือมันเป็นอะไรเราก็อย่าไปสนใจมันก็แล้วกันให้เราสนใจอยู่กับการเจริญสติเพียงอย่างเดียวให้สร้างสติขึ้นมาเพื่อให้ใจสงบขณะที่ใจจะสงบมันจะมีอาการอะไรแปล ก, กปรากฏขึ้นมาก็เป็นเรื่อง ปกติของจิตแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันบางคนเวลาจะก่อนจิตจะรวมนี่มันจะมีอะไรแปลกๆให้ปรากฏก็มีแล้วมันก็รวมลงไปบางคนก็ไม่มีนั้นมันจะมีไม่มีนี่เราจะไปบังคับมันไปสั่งมันไม่ได้ใบห้ามมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือให้เรารักษาสติไว้ให้ดีประครับประคองใจด้วยสติไปไม่ให้มัน เมื่อให้มันเผอแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะหายไปคำถามเจ้าคุณอัญชิ ต, ตานะครับมีคนใกล้ตัวเขาคิดว่าเวลามาทุกไม่ควรเข้าวัดเพราะต้องคิดแก้ปัญหาก่อนต้องรอเวลาที่สบายกายสบายใจจึงจะยอมเข้าวัดเราชวนเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเข้าปฏิบัติค่ะ พราะบอกว่ายังไม่พร้อมอยากสบายใจก่อนเราควรจะบอกเขาอย่างไรดีเขาไม่รู้บอกว่าการในวันนี้ก็เพื่อไปทําให้สบายใจแล้วจะสบายใจได้เร็วกว่าการที่เราพยายามที่จะทําตัวเราให้สบายใจได้เพราะว่าการทําใจให้เราสบายของเราส่วนใหญ่มันเหมือนกับรอให้ไฟมันไหม้หมดแล้วก่อนรอให้ความอยากมันหายมันสงบตัวลงไปแล้วมันถึงจะหาย แต่ถ้าเราไปเข้าวัดแล้วเราไปได้ศึกษาได้พบกับคู่สอนที่ถูกต้องคือพบหมอที่เก่งหมอก็บอกว่าหยุดความอยากซิก็จะหายเลยทันทีอันนี้เขาไม่รู้ว่าการมาวัดนี่ก็เพื่อมารักษาใจให้สบายนั่นเองแต่ถ้าเขาไม่อยากจะเข้าก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนคนที่เวลาร่างกายไม่สบายแล้วเขาบอกว่าเขาขอกินยาที่บ้านรักษาที่บ้าน เดี๋ยวให้มันหายก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาลถ้าหายแล้วไปโรงพยาบาลทาไมโรงพยาบาลก็มีไว้สำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าหายแล้วเขาก็ไม่รับอยู่ดีจันใดคนที่สบายใจแล้วจะมาวัดก็ไม่รู้มาทำไมคำถามจากคุณเพชรนะครับคุณพ่อนอนป่วยเป็นเจ้าชายนิธาอยากทราบว่ามีวิธีใดที่จะทําบุญอุทิศให้ไปถึงท่านได้บ้างครับ ก็รอให้ท่านตายก่อนนะีตายแล้วก็ทำบุญอุทิศได้ตอนอยู่ก็พยายามเลี้ยงดูร่างกายของท่านใ ห, ให้ท่านอยู่อย่างสุขสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คำถามจากคุณอุจังนะครับการทำบุญด้วยการบูชาพระเช่นห้าร้อยได้องค์นี้พันได้องค์นี้แบบนี้เราจะได้บุญใหมคะบางครั้งก็รู้สึกว่า ทำบุญเพราะอยากได้พระมาบูชาถ้าเราอยากจะได้ของตอบแทนก็ไม่ได้เป็นการทําบุญเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเป็นการซื้อขายเหมือนกับเราที่เราไปร้านขายของเราให้เงินเขาเขาก็ให้ของเรามาอันนี้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญเป็นเรื่องของการค้าขายกันคําถามจะคุณเดินหน้าล่าฝันให้เป็นจริงนะครับ ทำไมหนูเจอแต่คนมาเอาเปรียบคะในทุกๆเรื่องเกิดจากอะไรคะแล้วหนูควรทำอย่างไรชาติก่อนเราเคยไปเอาเปรียบก็ชาตินี้ก็เลยก็ถูกเขาเอาเปรียบถ้าอยากจะแม่ก็เอาเปรียบชาตินี้ก็เราก็อย่าไปเอาเปรียบคนหน่งแล้วต่อไปชาติหน้าก็จะไม่มีใครมาเอาเปรียบเราออ คำถามขั้นเวลานะครับปอนนี้ก็ ย, ยังมาไม่ถึงนะครับ mm hmm. พระอาจารย์ครับสภาวะามารที่มารบกวนพระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้นี่เป็นสภาวะที่เกิดจากลิมิตหรือว่าเป็นสภาวะที่เกิดจากาความโลภความโ ก, กรธกำหลงหรือกิเลส ท, ที่พระพุทธเจ้าต่อสู้ครับพระอาจารย์มันก็อยู่ในใจของพุทธเจ้าใน ใ, น ใ, นใจของคนเราทุกคนเนี่ยก็คือกิเลสตัณหาเนี่ยที่มันจะมาคอยสร้างอุปสรรคขวางกั้น การที่จะทำให้ใจเราเข้าสู่ความสงบนั้นมันก็แล้วแต่กิเลสของแต่ละคนว่ามันจะหนักไปในทางไหนจริตของแต่ละคนบางคนก็เป็นเรื่องของโทสะบางคนก็เป็นเรื่องของราคะมันก็มันก็จะโผลขึ้นมาเราก็ต้องใช้ธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเจริญกันก็คือใช้ปัญญาจะเป็นอสุภะก็ดีเป็นตายักก็ดี เลรปฏิกูลและสัญญาก็ดีทําเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะมาทําลายมารต่างๆที่มาคอยขวางกาันการบรรลุธรรมของเราได้แล้วการต่อสู้ด้วยการอยู่กับปัจจุบันนะครับอาจารย์สู้ได้ระดับไหนครับอาจารย์ก็อยู่ที่กำลังของสติของเราถ้าเรามีสติมากเราก็สามารถที่จะดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้ตลอดเวลา ต้องฝึกสติให้มากต้องหมั่นเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรืยด้วยการระลึกถึงความตายไปหรืยด้วยการเฝ้าดูการกระทาการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปใจ ก, ก็จะไม่ลอยไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันคำถามจากคุณอารโรนะครับความฝันเกิดจากอะไรครับเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรือเปล่าครับ ความฝันก็นมาจากความคิดปรงแต่งนี่แหละมันเกิดจากความจำเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้กระทาไว้ในอดีตในปัจจุบันด้วยพอเวลาเรานอนหลับจิตมันก็เอาความสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เราเคยจำได้นี้มาคิดมาปรุงมาแต่งไปถ้าเราทำความดีเราก็มักจะฝันดีถ้าเราทำความชั่วมันเราก็มักจะฝันร้าย คำถามจากคุณอาจจะพอครับคุณกูนนะครับวิธีทาสมาธิเพื่อให้จิตรวมควรทำอย่างไรครับก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องวิธีที่จะสร้างสติก็ใช้พุโทโธก็ได้ใช้การดูร่างกายไปก็ได้ใช้การเจริญมนานุสสติก็ได้หรือเวลานั่งก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้มีหลายวิธีในกานมี40วิธีเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบ ถ้าอยากจะเลือกใช้วิธีไหนก็ลองไปค้นคว้าดูในพระไตรปิฎกนะมีมีบางคำถามแปลกๆด้วยนะครับถามว่ า, เ, าเข้าภาษาปีที่แล้ววันอะไรนะครับ า, า Google นะครับคือถ้าไม่มีคำถามก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเวลาก็พอสมควรไว้วันเพราะ ม, ม, มันเดี๋ยวนี้มันมีถามทุกวันคำถามมันก็เลยน้อยลงไปเรื่อยๆ